ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องทำไมถึงต้องรับกรรมโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่19กันยายน2542ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ จะเดินในธรรมอะลองฟังดูนะผู้เจ้าท่านตัดไว้ว่าใครเป็นคนฆ่านะอันนี้มีในพระไตรปิฎกเล่มที่37คือผู้เจ้าเนี่ยถ้าจะตัดถึงไม่ว่าจะเป็นใครตายก็ตามจะตายเพราะในลักษณะเนี่ยที่ยังสงสัยกันอยู่หรือจะตายเพราะเรารู้ชัดแล้วว่าเออคนนี้ตายเพราะอะไรจะเพราะอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะผู้เจ้าท่านตัดว่าเนี่ยเท้าเวสภูก็ไม่ได้ฆ่า เท้าเปติราชนะก็มิได้ฆ่าเท้าโสมเท้ายมและเท้าเวสุวรรณก็มิได้ฆ่ากรรมของตนต่างหากเป็นผู้ฆ่านะผู้ที่สิ้นบุญนั้นบุคคลได้เกียรตินะได้การสรรเสริญก็เพราะกรรมได้ความเสื่อมนะการถูกฆ่าการถูกจองจำก็เพราะกรรมกรรมของตนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่กระสุนลูกนั้นไม่ใช่มีดเล่มนั้นนะไม่ใช่ระเบิด ระเบิดลูกนั้นที่ทําให้คนนั้นต้องตายอันนั้นนะ่ะเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งที่มาทําให้คนนั้นต้องถึงเวลาถึงกรรมที่เขาต้องหมดบุญหรือว่าต้องถึงแก่ความตายแล้วมันเหมือนกับเป็นเป็นเครื่องมือที่จะมาทําให้เอาละกรรมคนนี้นี่ถึงอายุถึงเวลาแล้วเพราะฉะนั้นคนนี้จะต้องตายไม่ตายเพราะอย่างนี้ก็ต้องไปตายเพราะอย่างงนแต่ถึงเวลาตายก็ต้องตายแน่นอนนะอันนี้ตามที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ซึ่งเรื่องพวกนี้นี่อาตมาว่า เรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งนะเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นชาวพุทธแล้วถ้าเราศึกษานะเข้าใจในเรื่องหลักของกรรมซึ่งพระเจ้านี่ท่านจะน้ำจะย้ำเน้นมากเลยเพราะท่านจะใช้คำว่ า, าศาสนาพุทธนี่เป็นกรร ม, มนิยมนะคือเชื่อในเรื่องของกรรมเพียงแค่บางทีเนี่ยนะเราพอจะรู้เราพอจะเข้าใจเรื่องของกรรมนะกรรมนี่จะมีอยู่3ามอย่าง นะก็มีกายกรรมมีวจีกรรมแล้วก็มีมโนกรรมจะมีกรรมอยู่3าอย่างไม่ว่าเราจะทำอะไรไปในโลกนี้ไม่มีเสียไปฟรีๆแล้วก็ในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆทุกอย่างเป็นไปตามกรรมที่ใครทำเราเป็นผู้ทำเองมันทุกอย่างที่เป็นการกระทำเนี่ยคำว่ากรรมนี่แปลว่าการกระทำที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีผลติดตามมา พรนะพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เหมือนกับเงาที่ติดตามตัวคนไปเราจะไปที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่นะกรรมนี้ก็ตามไปไม่ว่าจะตายไปแล้วต่อให้ตายไปแล้วนะตายไปแล้วนี่กรรมนี้ก็ยังติดตามไปอีกเหมือนกันขนาดพระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะท่านเคยตรัสเล่าอาไว้ว่าตัวท่านเองสามารถที่จะบรรลุธรรมสามารถจะตรัสรู้จเป็นพระ พ, พุทธเจ้าแล้วปรากฏว่า ท่านก็ยังต้องใช้หนี้กรรมที่ท่านไปทําบาปทํากรรมอะไรไว้ท่านก็ต้องใช้หนี้เป็นพระเจ้านั่นแหละก็ยังต้องใช้หนี้เพราะฉะนั้นจะให้เห็นเลยคือในบุคคลทั้งหลายเนี่ยต่อให้เป็นคนดีต่อให้เป็นคนประเสริฐเป็นคนวิเศษยังไงถ้าลองไปสร้างกรรมแม้ที่เป็นบาปเอาไว้ก็ต้องใช้หนี้ถึงบอกว่าไม่มีฟรีในโลกนี้ เพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้นะบุญก็เหมือนกันเราทำบุญเอาไว้บางทีเรานึกว่าเอ๊ะไม่เห็นจะได้อะไรดีขึ้นมาเลยแต่จริงๆแล้วบอกแล้วไม่มีฟรีเพราะในที่สุดเนี่ยบุญที่เป็นกุศลที่เราทำไปก็จะกลับคืนมาหาเราเองไม่ต้องไปตั้งจิตขอไขอ้นน่นขอไอ้นี่นะจะขออะไรต่างๆนานาไม่ต้องขอเลยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะย้อนกลับมาหาเราเองตามสัจจะตามความเป็นจริง นะโดยทั่วๆไปบางทีเนี่ยเราเองเราอาจจะดึกไม่ถึงเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องเรื่องบิบากของกรรมสักเท่าไหร่คือผลของกรรมนั่นเองบิบารของกรรมนะครัว่าบิบากนี่แปลว่าผลเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยบางทีทําดีไปเสร็จแล้วเราก็คิดอย่างง่ายๆเราคิดอย่างตื้นตื้นว่าเออเราทําดีแล้วนี่นะผลที่มันสะท้อนกลับมาหาเราหมายถึงว่าเอาอย่างบางคนเนี่ยทำบุญใส่บาตรพระ เสร็จแล้วก็คิดว่าเออวันนี้เราต้องโชคดีเสร็จปรากฏว่าเดินไปหน่อยอาจจะโดนคนเขาด่าให้ก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้อ จ, จะมีความรู้สึกทันทีหรือว่าเออเราว่าเราแม้อุตส่าวันนี้ทําจิตใจให้ดีตื่นมาแต่เช้านะทําบุญใส่บาตพระเราว่าเออเราน่าจะได้อะไรดีๆมานะได้ลาบหรือว่าได้คนมาสารรเสริญคนมาชมยกย่องอะไรอย่างงี้แต่ปรากฏว่าโอ้โหไปโดนด่าหรือเดินไปปรากฏว่าอาจจะไปตกลุมตกบอ่ออะไรอย่างเงี้ย วันถ้าคนนี้เนี่ยไม่ไม่ศึกษาเรื่องกรรมไม่เข้าใจเรื่องกรรมให้ดีคือคิดแบบง่ายๆคิดแบบตื้นตื้นบางทีจะเลิกเลยเลิกทําบุญหรือว่าจะเลิกทําดีเลยเพราะคิดว่าเอ้าก็ดูสิทําบุญใส่บาตพระไปดูซินี่ยังซวยเลยไปเดินตกบ่อไปเดินตกท่อเพราะฉะนั้นแล้วคนที่คิดตื้ น, ต, นตื้นอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้เข้าใจกรรมให้ดีว่ากรรมนี่มีผลยังไงบ้างเพราะฉนั้นจริงๆแล้วกรรมเนี่ยมันส่งผลถึงสอย่าง พรนะพุทธเจ้าท่านมีตรัสเอาไวนะ้บอกว่าผลของกรรมนจะมีอยู่3อย่างคือหนึ่งก็คือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันหมายถึงว่าในทันทีทันใดนั้นแหละให้ผลทันทีเลยนี่เป็นประเภทหนึ่งซึ่งอันนี้จะเห็นง่ายที่สุดและทําให้คนเราเนี่อรับรู้อันนี้แล้วยอมรับอันนี้ได้ง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะกดปุ๊บติดปับ๊บคือทําไปปุ๊บก็ปั๊บทันทีพอด่าเขาปับ๊บเขาก็สวนกลับมาทันทีเอออันนี้เห็นผลทันที ตบหน้าเขาเขาก็ตบกลับมาอะไรงนี้มันเห็นผลทันทีออย่างนี้เราก็รู้ล่ะใช่ไหมมันก็เข้าใจง่ายกรรมที่เป็นปัจจุบันที่เรียกว่าทันทีทันใดอันนี้เข้าใจง่ายเพราะหลายคนที่ยังเชื่อเรื่องกรรมอยู่เพราะว่ามีความรู้สึกอันนี้อยู่ว่าเออมันเห็นผลทันทีแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มีแค่อย่างนี้นะพุทธเจ้าท่านตัสอันนี้เป็นแค่กรณีหนึ่งเท่านั้นเองนะส่วนข้อที่2ท่านตัดว่ากรรมที่ให้ผลนั้นในชาติที่เกิดเนี่ยในภพที่เราเกิด ซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้ให้ผลทันทีนะวันนี้ด่าเขาเขายังไม่มาด่ากลับหรอกวันนี้นะ <c oughs> เขาอาจจะใจเจ็บเรา <c oughs> เขาอาจจะเล่นงานเราในวันพรุ่งนี้ <c oughs> หรือข่าวต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งเจอเขาเขาค่อยเล่นงานเราหรือว่าอีก7เดือนหรืออาจจะอีก7ปี <c oughs> นั่นแหละเ <c oughs> ขาค่อยมาเล่นงานเราแต่ในชาตินี้แหละชาติที่เรายังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอมาถึงกรรมระดับนี้ บางคนอาจจะลืมๆไปแล้วอย่างเช่นบางคนนี่ไปทำดีให้กับใครนะปรากฏว่าโอ้ oh, เอาให้เขายืมเงินมั่งนะช่วยเหลือเขามั่งเสร็จปรากฏว่าคนที่เราช่วยเหลือไปไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเรากลับมาเลยนะเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ hey, อย่างนี้ไม่ไหวแน่ๆเลยไม่เห็นจะมีดีอะไรตอบกลับมาเลยนะเผื่อเขาก็ยั ง, ย, งยังไม่เคารพแล้วก็ยังที่จะมาเอาเรื่องเอาราวกับเราอีกเพราะนั้น พอรู้สึกอย่างนี้นะคนนี้เอาละเริ่มละเริ่มจะไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วอันนี้แหละอย่างที่สองนี่แหละที่อตาตมาอยากจะฝากบอกพวกเราว่าว่ามันต้องมีการอดทนแล้วก็ต้องมีการรอคอยที่จะเข้าใจให้ได้ถึงสัจจะถึงความเป็นจริงว่าบางทีมันไม่ได้มาทันทีอะไรละ่ะที่มันมาทําให้มันมาขั้นเอาไว้นะมันถ้ามีกรรมร่วมกันอย่างเนี้ของเราเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วนะกรรมของเราเนี่ยอย่างหนึ่งแะที่ทําให้เราก็เลยสมมติเราทำดีไปเนี่ยมันจะไม่ ดีกลับมาให้เราเห็นทันตามันต้องอาศัยเวลาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยต้องอดทนมากๆต้องทำบุญเนี่ยสั่งสมไปจนถึงระดับหนึ่งอาจจะโอ้โหเป็นเดือนเป็นปีกว่าถึงจะเห็นความดีออกมาเป็นเป็นรูปประธรรมให้เราเห็นได้ชัดส่วนนามธรรมาเนี่ยจริงๆโดยสัจจะแล้วเห็นปุ๊บทันทีเลยถ้าคนนั้นต้องมีสัมมาทิฏฐินะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ ทำบุญทำกุศลหรือว่าในเรื่องของการทำบาปจริงๆแล้วจะเห็นผลทันทีเลยในด้านของจิตใจแต่เมื่อคนนั้นไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจแล้วก็มองตื้นๆมองออกไปในเรื่องของวัตถุเรื่องของข้าวของเงินทองเพราะคนนั้นก็จะคิดอยู่แต่ภายนอกที่เรียกว่าเอ๊ยยังไม่เห็นผลกลับมายังไม่เห็นผลกลับมาบางคนบอกทำบุญต้อง7วัดแล้วจนอยู่เหมือนเดิม <laughs> ไม่เห็นจะรวยเลย น, น, นะแล้วก็บอกว่าโอ้โหดูสิ นะถ้าไปทําครบเจ็ดวัดเมื่อไหร่จะได้ลาบได้ความสุขได้ความเจริญปากปรธรทำไปทำมาจนหนักยิ่งกว่าเก่าไปอีกถ้าอย่างงี้เนี่ยเพราะนั้นจะเลิกเรอจะไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องอะไรอีกซึ่งนี่แหละอาตมาอยากจะบอกว่าเรายังต้องศึกษาอีกต้องเข้าใจอีกมันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกเรื่องเรื่องของกรรมนะเพราะนั้นมันจะมีขีดขั้น ที่ทำให้บางคนเนี่ยทำไมต้องทําบุญมากๆาหรือเกินถึงจะเห็นผลวันพ่อท่านี่จะใช้คําคำหนึ่งที่บอกว่าคนเราทําดีแล้วอะทําไมมันยังไม่เห็นผลสักทีอะดีมันจะมา ส, สนองคืนเนี่ยพ่อท่านก็บอกว่าคุณยังทำทำดีไม่มากพอ <c oughs> คุณต้องทําดีจนมากพอดีจนกว่าอะไรดีจนกว่ามันจะถึงผลที่สุกงอมมันเหมือนกับผลไม้เนี่ยจะมามันก็ค่อยๆสุกค่อยๆงอมขึ้นไปเรื่อยๆ มันสุกมันงอมเมื่อไหรถึงขั้นมันหลุดออกมาจากขั้ว ม, มันก็หลุดออกมาจากขั้วของมันเองไม่ต้องมีใครไปเด็ดมันก็หลุดจากขั้วของมันเองไม่จําเป็นเลยว่าใครจะต้องมาเด็ดผลของกรรมก็จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นผลของบุญก็ตามผลของบาปก็ตามบางคนทําบาปเล็กบาปน้อยนะไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าไม่คิดไม่นึกถึงเลยแต่พอบาปที่ทําไปมันสะสมมากเข้าเป็นก้อนโตเข้ามาเล่นงานเราตูมนึ่งนะโอ้ทั้งเจ็บป่วยทั้งอุบัติเหตุ นะทั้งเป็นหนี้ศินทั้งอะไรต่างๆเข้ามาลุมล้อมคราวนี้อ่ะพอเจอมัดหนักๆเข้าถึงจะหืมข่อยมาเห็นบาปกรรมที่เราสะสมไว้แต่พูดอย่างนี้นี่สําหรับคนที่ศึกษานะถึงจะรู้หลายคนอาตมาเคยคุยด้วยที่เจอหนักๆขนาดนี้เนี่ยพอเวลามามาถึงนี่แหละมาถึงสันติสุขเนี่ยมาได้คุยกับสมัมบัตบางคนนี่ยังไม่ยอมรู้ยังไม่ยอมเข้าใจเลยยังโทษ น, น, น, นู่นโทษนี่โทษนั่นโทษอะไรต่างๆนานา คือยังไม่รู้เลยเนี่ยเป็นกรรมของตัวเองที่ตัวเองเนี่ยไปสั่งสมนะไปกระทําไว้ถึงได้มีผลออกมาอย่างนี้ยังไม่ยอมรับแล้วก็ยังไม่ยอมรู้ในที่สุดก็โทษลูกโทษเมียโทษพี่โทษน้องโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษค น, นอื่นต่างนนๆนานานี่แหละจึงไม่เข้าใจนเพราะนี่อย่างที่สองนั้นก็ฝากเอาไว้<ม>ให้พวกเรารู้ว่ากรรมเนี่ยให้ผลในชาตินี้มีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ตามมาแต่ยังไงก็ก่อนตายแน่นอน นะก่อนตายมันตามมาหรืออัดเวลาใกล้จะตายก็ได้เอา้าบางคนนี่เวลาใกล้จะตายเนี่ยโอ้โหเห็นผลชัดเลยเรื่องพวกนี้พวกเราเอามาเล่ากันเยอะนะหลายหลายคนเลยที่เห็นผลว่าก่อนตายนี่จะดิ้นทุรนทุรายนะโดยเฉพาะเรื่องบาปกรรมที่ตัวเองไปทามานะไอตอนปกตินี่ก็กินเหล้าดูหนังฟังเพลงอะไรกบๆรบเอะกบกบไอจิตใต้สานึกที่มันมีอยู่เนี่ย อย่าให้มันขึ้นมาทำงานเพราะจริงๆลึกๆคนเราเนี่ยทำบาปกรรมทำเลวมันรู้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจะเอาลาปเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยเอามากรบๆไว้นะไปซื้ออนูดมาเสพนะเอาไปใช้ไอ้นุดมาบำรุงเล่ความสุขตัวเองเพื่อที่จะกบๆไอ้ความรู้สึกที่ตัวเองเลวหรือว่าไม่ดีนี่เอาไว้เท่านั้นเองแต่พอเวลาใกล้จะตายเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆมันไม่สามารถมาช่วยอะไรได้แล้วเราจะรู้เลยไม่ว่าเงินทองไม่ว่าบ้านช่องไม่ว่า บุตรภรรยาอะไรต่างๆช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะงั้นคราวนี้คนนี้เหลือแต่จิตวิญญาณของตัวเองเพียงอย่างเดียวใช่ไหมเพราะไอ้ที่ทำเอาไว้เนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นมาเล่นงานอย่างมากเลยเพราะบางคนเนี่ยจะเห็นผลชัดๆตอนก่อนจะตายเนี่ยโอ้โหทุรนทุลายเห็นนรกเห็นนรกชัดเลยตั้งแต่ก่อนจะตายก็คนที่ก่อนจะตายยังเห็นนรกชัดเนี่ยตายไปมันจะไปไหนมันไม่ไปอื่นหรอกก็ไปนรกแน่นอน นะอันนี้เป็นอย่างที่สอง่าส่วนอย่างที่3มพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผลแห่งกรรมเนี่ยอย่างที่3ก็คือกรรมที่ให้ผลในภพต่อๆไปคือคือในชาติต่อต่อไปอีกนะไม่ใช่แค่ชาตินี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดผิดเห็นคนรวยเห็นคนโกงเห็นคนเอารับเอาเปรียบเขาในชาตินี้แล้วโอ้โหอยู่สุขสบายจนตายเลยนะเข้าใจตื้นๆแค่นี้ก็จบแล้วบอกโอ้โหชาอย่างนี้นี่ดูซิไอคนเลว แหมมันมันนึกคำแรงขึ้นมานะเอ่อยก ย, ยกไว้ก่อนคือเร็วมากๆคนเร็วมากๆนี่ดูสิมันสบายมันโกงเขานะมันได้เงินได้ทองมันมันอยู่บ้านหลังใหญ่ๆมีรถมันมีโอ้โหเครื่องบาเลอความสะดวกสบายในชีวิตเต็มที่เลยเพราะนพอยเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็โอ้โหสบายจนตายนี่อยากและจะเอาตามอย่างเขาเพราะฉะนั้นคนนี้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไปโกงเขาไปเร็วแล้วไม่เห็นมีผลอะไรเลยเนี่ย เออเห็นเขาสบายด้วยซ้ําไปพวกนี้ไม่ได้ศึกษาเรื่องกรรมไม่เข้าใจเรื่องกรรมพราุนนั้นก็เลยแบบว่าจะเอาสบายอย่างเขาเพราะฉนั้นพวกนี้จะไม่คิดถึงเรื่องศีลธรรมพวกนี้คิดแต่อย่างเดียวในเรื่องของวัตถุนะข้าวของเงินทองต่างๆพวกนี้ไม่เข้าใจว่าเรื่องวิบากกรรมนี่มันยังมีผลไปถึงชาติอื่นๆอีกไม่ใช่แค่ชาตินี้แล้วคนนี้แม้ว่าเขาจะโกงกินยังไงเสร็จแล้วเายังสบายอยู่มันมีผลของวิบากกรรมจริงๆที่เรียกว่า เขามีทำบุญมาจริงๆเขาก็สร้างสมของเขามาดีเหมือนกันแต่ชาตินี้มันยังไม่ปรากฏผลสำหรับเขาต่างหาอ่ามันกลับปรากฏผลบุญของเขาที่เขาสะสมมาครนี้ยังใช้บุญเก่าอยู่หรือเขาเรียกว่ากินบุญเก่าอยู่แต่ชาตินี้มาโกงเขานะมาทำทุจริตต่างๆคนนี้กำลังได้บุญอ่าได้บาปใหม่กรรมใหม่ที่คนนี้สร้างขึ้นนี่เป็นวิบากบาปนะผลบาปจะติดตอ่อจะติดตามคนนี้ไปแต่มันไม่ให้ผลในชาตินี้ บาปที่ก็ทำเนี่ยมันยังไม่ส่งผลทันทีไม่ส่งผลในชาตินี้แต่นี่แหละมันจะส่งผลในชาติต่อไปวันหลายคนที่เคยสงสัยตัวเองอยู่ว่าเออเราว่าชาตินี้เราไม่ได้ไปอะไรอ่ะฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ได้ไปทุจริคตคดโกงใครเราว่าเราดีมาตั้งแต่เกิดเลยนะเออบางคนนะบอกว่าตัวเองดีๆีมาตั้งแต่เกิดดีจริง แต่ทำไมเราสวยซวยโดนเข้าโกงนะบางทีโดนเขาทำร้ายนะเจออุบัติเหตุเป็นโรคเป็นภยัยอะไรต่างๆนั่นแหละเพราะอะไรแหะเพราะมันมีกรรมตั้งแต่ในอดีตชาติก่อนๆ อ, อีกไม่ใช่แค่ชาตินี้ที่มันตามมาเล่นงานเรานี่คืออย่างที่สที่พระเจ้าท่านตรัสถึงเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อาตมา ถ, ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเป็นเรื่องที่เราเองเราจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้แต่กรรมเป็นอันธรรมจริงๆนะนะกรรมมัสโกมหิ กรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนนะกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นทายาทกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะเป็นเครื่องสืบ ต, ต่อต่างๆในชีวิตของเราไม่มีใครจะหนีพ้นกรรมไปได้นะซึ่งถ้าเราเองเนี่ยเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วจะช่วยจะเยอะเลยหลายอย่างที่บางทีบางคนเนี่ยถือสาโกรธนะโลภมากไม่ให้อภัยคนเขานะเห็นแก่ตัว เพราะไม่ได้รู้เรื่องกรรมจริงๆถ้าใครรู้เรื่องบาปเรื่องบุญอย่างชัดเจนแล้วไม่อยากไปทำเลวเลยไม่อยากไปทำบาปเลยเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวตามมาเล่นงานเราแน่ๆไม่มีว่าไม่ตามมาเล่นงานไม่มีเลยเพราะฉะนคนที่จะหนีวิบากต่างๆไปได้นี่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองคือต้องนิพพานไปต้องนิพพานไปเท่านั้นเองนะเพราะว่านิพพานไปแล้วเนี่ยไม่กลับมาเกิดอีกก็ไม่รู้ว่า บาปกรรมจะไปตามเอาตัวที่ไหนได้เพราะฉนั้นตามไม่ได้เพราะมีอยู่ประเด็นเดียวเท่านั้นแต่ถ้ายังกลับมาเกิดอีกแม้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามอัตมาถึงบอกยังหนีไม่พ้นเลยต้องใช่นี่คืนเหมือนกันต้องใช่นี่คืนเพราะฉะนั้นถ้าใครศึกษาเรื่องกรรมดีๆหน้าเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ไม่ได้หรอกนะถ้าคืนทําไว้แล้วก็สวยแน่ๆเพราะฉะนั้นคนจะพยายามสั่งสมวิบากที่เป็นผลบุญ นะกรรมที่เป็นกุศลให้กับตัวเราเองเพื่อที่เราเนี่ยนะจะได้ไปดีนะเพราะฉะนั้นใครทําดีจริงๆได้ดีจริงๆกรรมนี้ชัดเจนนะใครทําดีได้ดีกรรมนี้ชัดเจนใครทําชั่วได้ชั่วไม่มีผิดเพีย้ยนไม่มีเป็นอย่างอื่นเพียงแต่ว่าดีทันทีหรือเปล่าให้เห็นผลทันทีหรือเปล่าหรือว่าให้เห็นผลในชาตินี้หรือให้เห็นผลในชาติหน้าเท่านั้นเองอ่ะตอนนี้เราลองมาฟังที่พระเจ้าตรัสถึงผ ล, ลกรรมต่างๆ ที่ใครก็ตามไปทำมาแล้วมันจะส่งผลอย่างนี้นะพรเจ้าท่านตรัสเอาไว้ซึ่งอาตมาก็เอามาพอสมควรนะให้พวกเราฟังเอาไว้<ม>เพื่อที่จะได้ให้พวกเรารู้แล้วเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเรานะเราเองเราจะได้เป็นเครื่องป้องกันเพราะไม่มีใครในโลกนี้อยากจะทุกข์ทรมานจริงๆเราปรารถนาความสุขในชีวิตทุกคนแต่ทายังไงล่ะจะได้ความสุขแล้วทำยังไงอะเราไม่ต้องไปทุกข์เพราะฉะนั้นต้องทากรรมให้ดี อย่าไปทํากรรมที่เลวเอา่าวตอนี้ที่ยกตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมที่เลวนะซึ่งจะให้เราเห็นว่าถ้าไปทํากรรมเลวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องมีทุกข์ตามมายัางไงบ้างพรนะพุทธเจ้าท่านจาัดเอาไว้นายพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่ายกตัวอย่างอย่างเช่นท่านจาัดว่าผลกรรมนะแห่งการที่ใครก็ตามเนี่ยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าไปฆ่าคนก็ตามทำหมายถึงว่าทําชีวิตเขาตกล่วงไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าไปไม่ว่าจะไปฆ่าคน หรือว่าฆ่าสัตว์ท่านไม่ได้บอกว่าไปฆ่าช้างเท่านั้นนะไปฆ่าหมายถึงตัวโตวๆหน่อยนะฆ่าม้านะหรือว่าฆ่าสุนัขนะฆ่าปลานะอะไรเงี้ยท่านไม่บอกอย่างนั้นเลยฆ่าสัตว์และท่านรวมหมดเลยเพราะฉะนั้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่บางทีหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยไอ้อย่างงี้ยังไม่ถือว่ามันมีมนมชีวิตจิตใจอะไรหรอกอย่างเช่นอะไรบัง่งมดมแมลงอะไรต่างบ้างอะไรพวกนี้นั่นแหละถึงตัวมันจะเล็กนิดเดียว จิตวิญญาณมันก็มีเหมือนกันมันรู้สึกโกรธแค้นจิงชันโลภหลงอะไรมันก็มีเหมือนมนุษย์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสะสมเขาไว้สะสมเขาไว้ผลแห่งกรรมถ้าคนนั้นนะยังโชคดีนะว่ามีบุญอยู่ด้วยถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกคนนั้นจะได้ผลก็คือจะเป็นคนที่มีอายุสั้นพวันคราวนี้เนี่ยเราไปเห็นใครที่มีอายุสั้นเราก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าคนนี้สังสมวิบาศที่เรียกว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามาก เพียงแต่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนเท่านั้นเองส่วนผลกรรมแห่งการไปเบียดเบียนเบียดเบียนคราวนี้นี่หมายถึงว่าไม่ได้ทเข้าถึงแก่ความตายนะอาจจะบางทียุงมกกัดมีพวกเราบางคนยุงมกัดเนี่ยนะเขียมันไปเขียมันมาขามันหักมาข้างจับไปจับมาปีกมันหลุดออกมาอะไรต่ออะไรเงี้ยเล่นมันนะเขียมันเล่นไปเล่นมาจนกระทั่งก็ตัวมันนิดเดียวนะนิ้วคุณโอ้โหยิ่งก็ท่อนซุงอีกนะเปรียบกับตัวยุงแล้วบางที หรบางคนก็ โ, โหเกลียดมดแมงสาอะไรมากเลยแล้วก็ทําร้ายมันจริงก็ไม่อยากจะทําให้มันถึงกับตายหรอกนะแต่ไปเบียดเบียนมันทําให้มันต้องทุกข์ทำให้มันต้องทรมานทําให้มันต้องเจ็บปวดวิบากอย่างนี้คือแม้มาเกิดเป็นคนหมายถึงตัวเราเองเลยนะถ้าเกิดได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกวิจา้าบอกว่าจะทําให้คนนี้มีโรคภัยมาก เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวเองแบบโอ้โหทําไมเกิดมาชาตินี้เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเป็นโรคอันนะันเดี๋ยวเป็นโรคอั น, นี้มันเยอะเหลือเกินให้เรานึกเลยว่าเออเราไปเบียดเบียนใครไว้นะเยอะแยะมากมายมาเมืองเนี่ยถึงได้เป็นคนที่เนมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายอย่างนี้และนี่เป็นสัจจะด้วยพระเจ้าท่านไม่มาหลอกลวงท่านไม่มาตรัดเล่นๆกับเราท่านตรัดมาล้วนเป็นสัจจะเป็นความจริงทั้งนั้นพวันถ้าเราเองเนี่ยแค่เรามาระลึกเป็นแบบเออ อวยอย่างนี้ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนี่แหละนะที่เรายังไปสร้างกรรมไปเบียดเบียนบางทีไปเบียดเบียนทางกายมั่งไปเบียดเบียนทางวาจามั่งไปเบียดเบียนทางมโนกรรมมั่งนี่แหละเบียดเบียนทั้งนั้นเน่ยเพราะเรารู้เลยคราวนี้บอกเออพอเวลามันจะเกิดจิตไปคิดเบียบเบียนคิดทํำลายทําลายใครอย่างนี้นี่หัดเลยหัดปรับจิตให้เป็นกุศลหัดให้อภัยหัดมีใจกรุณาเมตตา ต่างๆกับเขาจิตอย่างนี้นะพยายามปรับให้ได้อ่าอย่างที่สามผลกรรมแห่งการลักขโมยผลที่จะเกิดก็คือจะทำให้เกิดความพิบัติแห่งทรัพสมบัตินะผลผลกรรมที่จะตามมาพูดง่ายๆว่าคนนี้ต้องจนแน่ๆหรือไม่ก็ต้องขาดทุนหรือหนักๆก็อาจจะถึงล้มละลายนะจากผลกรรมที่เราเนี่ยไปมีนิสัยที่จะไปลักขโมย นะคําว่ารักขโมยฟังแล้วบางทีบางคนบอกโอ๊ยดิฉันเองฉันไม่เคยไปขโมยของใครหรอกแต่คําว่าขโมยเนี่ยเพียงแค่เราเองเนี่นะของของอันไหนที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเสร็จแล้วนะเราก็รู้อยู่นะบางทีไม่ได้เป็นเพื่อนญาติไม่ได้เป็นพี่น้องไม่ได้สนิทสนมอะไรกันด้วยไม่เคยบอกกล่าวกันมาก่อนนะแต่เราเองเราก็เอาเลยเช่เราก็เห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นแต่ความเอาตามใจของเรานะเราก็เอาของเขามาอย่างเงี้ยก็เอามาเฉยๆ อ, อย่างนี้แหละ เอามาใช้เอามากินเอามาเสพของเราเองไม่ได้บอกเจ้าเข้าเจ้าของเขาเลยนั่นแหละคือการขโมยแล้วบางคนคิดว่าแม้ขโมยนี่มันต้องค่อยๆ ย, ย่องนะต้องอาจจะต้องแต่งชุดดำเออต้องไปกลางคืนนะเอ อ, อย่างนั้นถึงจะเป็นขโมยไม่จาเป็นหรอกขโมยนี่ไม่จาเป็นต้องแต่งชุดดำไม่จาเป็นอย่างนั้นเลยเราไปเอาข้าวของสมบัติของใครเขาที่เจ้าของเขาไม่ได้อยุญาตยิงเขาหวงด้วย อา้าวเราไปเอาเข้ามาเนี่ยน่านนะักขโมยแล้วเอามากินเอามาใช้เป็นของเราเองเลยมันเนี่ยอันนี้ให้รู้เลยเพราะนักใครยังมีจริตมีนิสัยอย่างนี้ผลกรรมตามมาแน่นอนคือเราเองเราก็ต้องเสื่อมทรัพย์สมบัตินะจะต้องพินาศไปเหมือนกันอ้าวอย่างที่3แล้วนะถ้าใครเนี่ยนะไปไปพฤ้นผิดในการรมพฤ้นผิดในการมไปเป็นชู้นะไปผิดผัวผิดเมียเขานะต่า ง, า ง, างนา น, นานี่แหละเรื่องของกรรมต่างๆ่ า, านะ่อย่างเบาที่สุดนะ้ที่เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพระเจ้าตัดว่า จะมีศัตรูแล้วก็จะถูกปองลายนะนี่เรื่องของกามอานะจะมีศัตรูแล้วก็จะถูกปองลายเพราะว่าเราเนี่ยไปล่วงละเมิดของรักของหวงของคนอื่นเขานะีบางทีเขาไม่ได้ยินดีด้วยเขาไม่พอใจด้วยแม้แต่บางทีไปบังคับหรือไปค่มขืนเขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยล้วนอยู่ในการผิดศีลข้อ3ามนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ผลที่ตามมาก็คือจะ มีศัตรูนะแล้วก็จะถูกปองร้ายด้วยส่วนการที่เราพูดเท็จนะพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าผลกรรมก็คือเราจะได้รับการที่เราจะถูกกล่าวถูกตูถูกทวงเหมือนกันเราจะโดนเหมือนกันโดนคนมาใส่ร้ายเพื่อง่ายป้ายสีต่างๆนั้น น, นเราก็จะโดนเหมือนกันนะส่วนการส่อเสียดการส่อเสียดนี่คือประเภทพวกนินทาเพราะนั้นโดยเฉพาะไม่ว่าผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามนะประเภทที่ชอบปากไว อะไรอ่ะชอบพูดมากนะชอบพูดเรื่องชอาวบ้านชาวช่องที่มันบางทีไม่รู้จริงอ่ะนะเอามาเมาพราะผลกรรมที่คนนี้จะได้รับก็คือคนนี้ก็พูดง่ายคนอื่นเขาจะดูถูกดูหมิ่นเหมือนกันคนที่ขี้ฤิษยาคนอื่นเนี่ยนะก็จะเป็นอย่างนี้อ่าส่วนผลกรรมของการกระด้างเย่อยิงเอาล้วนะคราวนี้ไม่รู้เข้าใกล้ใครบ้างนะ ใครที่ยังกระด้างอยู่แมเยอะยิงเหลือเกินท่าทางหน้ า, นาตาเอ่ยซุ่มเสียงเอ่ยโอ้โหทั้งกระด้างทั้งยิงจองหองอะไรต่างๆผลกรรมที่คนนี้จะได้รับคือจะเป็นคนที่เกิดในสกุลต่ำคําว่าคนในสกุลต่ำไม่ได้หมายถึงว่าไปเกิดเป็นลู ก, ลกช่างตัดผมไม่ใช่ไปเกิดเป็นลูกอะไรอะ่ะลูกแม่ค้าขายกล้วยปิ้งนั้นไม่ได้ถือว่าสกุลต่ำแบบธรรมดาทั่วๆไป สกุลต่ำเนี่ยต่อให้ไปเกิดในอะไรอะผู้ดีด้วยนะแต่ว่าเลวนิสัยเลวมากเป็นพวกเ็าเรียกว่าพวกชั้นต่ำนะอันนี้เอนมาอาจจะพูดสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาเข้าใจธรรมดาก็อเก็หมายถึงว่าอ๋อไปเกิดกับลูกคนมีคนร่ำรวยสกุลสูงอ่าแต่จริงๆไม่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวก็เข้าใจว่าไปเกิดเป็นลูกชาวนาขงีสกุลต่า ไม่หรอกนะ่าไปเกิดเป็นลูกชาวนานีน่สกุลสูงไปเกิดเป็นลูกคนปีนเก็บมะพร้าวยิ่งสูงใหญ่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เข้าใจว่าเออไปเกิดเป็นคนสกุลต่ำนี่หมายถึงว่านั่นแหละจะนิสัยเลวนะมีกิริยามีมารยาทมีแรงต่างนี่แย่มากไม่มีสมบัติผู้ดีนั่นแหละคือพวกที่อยู่ในสกุลต่ำเพราะฉะนั้นต่อให้ไปเป็นลูกด็อกเตอร์ไปเป็นลูกครูบาอาจารย์แต่โอ้โหกิริยาอาการเลยเลวมาก พวกนี้สกุลต่าทั้งนั้นนะเอาส่วนผลนะแห่งการที่ใครเนี่ยไม่ไม่เข้าหาผู้รู้นะไม่มันสอบถามนะก็จะเป็นคนปัญญาสามนั่นแหละเพราะนั้นหลายคนบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองรู้บางทีก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะแต่เพราะว่าไม่ยอมมาฟังเทศฟังธรรมไม่ยอมไปหาคนที่เขามีความรู้มากกว่าหรือบางทีไปหาเหมือนกันนะ แต่นู่นไปนั่งอยู่โขดหินไหนก็ไม่รู้อย่างนี้ยังยังไม่ฉลาดหรอกนะถ้าจะให้เป็นคนมีปัญญาดีมีปัญญ า, เ, าเลิศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าเข้าหาแล้วก็ต้องถามด้วยต้องมาซักถามที่นี่เรามีปฏิสันฐานอยู่แผนกปฏิสันถานเพราะนั้นบางทีเราสงสัยหรือว่าเราไม่เข้าใจอะไรเอาเลยเข้าไปหาท่านหรือแม้แต่บางที สมาณะศีกามาสบางทีท่านอาจจะอยู่บริเวณกุศบ้างหรือว่าบริเวณไหนถ้าท่านไม่ติดธุระอะไรเราพอดีเจอเราสงสัยอะไรเราถามท่านได้นะว่าเออเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นยังไงเนี่ยนะดิฉันไม่เข้าใจเลยหรือผมไม่เข้าใจเลยนะท่านช่วยมีเวลาตอบให้ผมฟังได้ไหมอย่างนี้นะผลกรรมหรือว่าที่จะตามผลที่จะตามเรามาเนี่ยถึงจะเป็นคนฉลาดนะมีปัญญาดีเพราะฉนั้นคำว่าปัญญาสามก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเรียนสูง เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่ว่ารู้จักเข้าหาผู้รู้แล้วก็ซักถามนั่นคือผู้มีปัญญาดีทั้งนั้นส่วนตรงข้ามเลยต่อให้นาะเรียนจบดอกเตอร์มาแต่ปรากฏว่าเ ย, อย่อหยิงจองของนะ้อวดรู้ของตัวเองเท่านั้นนะ่ยนะแต่ไม่รู้จักที่จะเข้าหานะคนที่มีศีลสูงกว่าคนที่เขารู้รู้คุณธรรมรู้ความดีมากกว่านั้นะไม่เข้าหาเลยก็หลงตัวเองอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ปัญญาสามนี่ยังสามอยู่นะต่อให้เป็นด็อกเตอร์ก็ยังปัญญาสาม เราต้องเข้าใจให้ชัดปัญญาสามนี่ไม่ใช่ปัญญาอ่อนแบบคนพิการนะคนพิการน่นมันเป็นเรื่องของอวัยวะเรื่องของสมองเรื่องของอะไรที่ทําให้เขาปัญญาอ่อนแต่คนปัญญาอ่อนไม่ไม่ใช่ปัญญาสามคนปัญญาสามนี่คือคนที่มิจฉาทิฐิเพราะบางทีพวกมิจฉาทิฐินี่ฉลาดโอ้โหสามารถจะโกงเขาได้อย่างแนบเนียนจับไม่ได้เลยนี่ฉลาดมาฉลาดแต่ปัญญาสาม ฉลาดแบบนี้เขาเรียกว่าปัญญา3ามเพราะั้นถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเราจะพยายามไม่ให้มันมีผลวิบากกรรมพวกนี้ตามมาอ่าส่วนตอนนี้นะถ้าใครชอบพูดคำหยาบเอาแล้วนะเรื่องพูดและเรื่องปากใครชอบพูดคาหยาบคนนั้นนะ่ะนะจะได้ผลวิบากก็คือนะ่าจะได้อยู่กับเสียงที่ไม่พอใจนะจะได้เจอเจอเสียงอาจจะไม่ไม่ไปเจอคน มาดาเราก็ได้นะเราอาจจะต้องโอ้โหอยู่ในที่ที่มันอึดกระทึกคึกโครมที่ที่เรารู้สึกแม่เราไม่ชอบเลยก็เพราะเป็นวิบากกรรมที่เราเนี่ยแหละชอบไปพูดไอ้สิ่งที่มันไม่น่าพอใจให้กับคนอื่นเขาฟังเหมือนกันเพราะเราก็ต้องเจออย่างนี้เหมือนกันอ่าส่วนใครชอบพูดเพรสเจอเอารนะอุ้ยเยอะเลยและข้อนี้ยหลายคนที่ชอบพูดเพรสเจอเหลือเกินเลยไร้สาระบา้บาบอบองที่พูดอะไรก็ไม่รู้นะพั่มไปเรื่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้ว วิบากรรมของการพูดเพ้อเจ้อนะที่จะได้รับก็คือจะทำให้ได้รับคำที่ไม่ควรเชื่อถือจะเป็นคนที่ทำให้คนเขาไม่ค่อยศรัทธา<ม>เขาเขาไม่ค่อยเชื่อถือเชื่อฟังแล้วก็เชื่อมั่นคนนีส้สักเท่าไหร่เราเพราะว่าคนนี้นี่ค่อนข้างจะเพ้อเจ้ออันนี้หมายถึงว่ากรรมในปัจจุบันที่เราเห็นเเลยคนเพ้อเจ้อมากๆนี่คนเขาไม่ค่อยเชื่อถือ<ม>บางทีพูดอะไรไปเล่นไปซะหมดอ่ะนะจน พูดจริงพูดเล่นก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามจริงหรือว่ามันเล่นกันแน่เนี่ยเพมันคนเขาเลยไม่ค่อยเชื่อเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะตะโกนบอกว่าหมาป่ามาแล้วหมาป่ามากินลูกแกะตอนแรกคนเขาเชื่อใช่ไหมเขาก็โอ้โหแห่ก็จะมาช่วยอ้าวปรากฏว่าไม่จริงนะพูดโกหกพูดหลอกลวงเขาเพราะฉนั้นตอนหลังๆนี่ตะโกนอีกตะโกนอีกอีกจะกี่ครั้งก็ตามก็แล้วแต่ไม่มีใครเขาเชื่อแล้ะหมดความเชื่อถือ นะว่าพูดจาไม่ตรงพูดจาไม่จริงพูดเลอะเลอะเถอะ